สำหรับสำนักสงฆ์ที่หลวงปู่จัดตั้งขึ้นนั้นปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นวัดสันติสังคารามพร้อมด้วยวัดและสำนักสงฆ์สาขาอีก9้าแห่งตามลำดับดังนี้1วัดมหัวเมยบ้านมาหัวเมย 2. สองำนักสงฆ์เวลุวันสันติวรยานสาสำนักสงฆ์สันติวราราม สสำนักสงฆ์สันติวณารามหาสำนักสงฆ์บ้านพอกใหญ่ 6. สำนักสงฆ์บ้านสว่าง7จ็ดสำนักสงฆ์บ้านตาลอําเภอนาวา 8. สแปสำนักสงฆ์มัญชี 9. วัดคำประมงบ้านคำประมงตัวหลวงปู่เองนั้นเป็นผู้ที่มักน้อย สันโดษอย่างยิ่งใช้ชีวิตนักบวชยิ่งท่านผู้ประพฤติชอบทั้งหลายการก่อการสร้างต่างๆในส่วนที่เกิดเลยออกไปเป็นแต่ครวาว่าญาติโยมพากันจัดการทั้งสิ้นท่านมานิยมการสั่งสมทรัพย์สมบัติใดๆหากมีลาาเกิดขึ้นท่านเป็นต้องแจกจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วฝากชีวิตไว้กับบาต ท, ที่เป็นเสมือนมรดกที่ได้รับจาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้มือครั้งญาติพี่น้องของท่านนิมนต์ท่านไปที่บ้านเกิดเพื่อรับส่วนแบ่งมรดกที่ดินลวงปู่ก็บอกกับพี่น้องของท่านว่านาที่เป็นบรดนั้นแบ่งกันเองเถอะเราเอานาทุ่งนี้ ท, าศาศาทุ้งภาษาอีสานแปลว่าทุ่งแล้วท่านก็ชีป้ปฏิบัติของท่านเรื่องนี้ ถ้าได้พิจารณาคำตอบของท่านพ่อลีธรรมทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดอโศการามก็จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นท่านว่าบัดนี้เป็นเหมือนด่งที่นาอันเยี่ยมพระภิกษุไม่ต้องไปเพาะปลูกที่ไหนดอกเพียงเอาแต่เพาะปลูกในบาดนี้เท่านั้นก็พอจะปลูกเงาะก็ได้ปลูกธุเรียนก็ได้สารพัดที่จะปลูกลงไป หมายความว่าพินทบาทเอากับชาวบ้านเรียกว่าเป็นการเพราะปลูกหังอ้อมอินทได้ฝึกผลอบรมตนเองเป็นเนื้อนาบุญที่เลื่อดูแล้วก็มักมีอนิสงส์ให้ได้เพาะปลูกพืชผลอําประนีตอย่างเหลือประมาณหลวงปู่เล่าเรื่องพบเสือปีพุทธศักราช 2,481 หลังจากมอบหมายงานสร้างสนักสงฆ์ให้พระเนนและญาติโยมที่บ้านบัวดำเนินการต่อไปแล้วหลวงปู่ก็ไม่รอช้าจัดแจงบริฐารเตรียมออกธุดดงทันทีตามนิสัยแห่งผู้ไม่ประมาทดังที่หลวงปู่ท่านสอนว่าการเวลามันล่วงไปผ่านไปแต่มันไม่ล่วงไปเปล่า มันเอาอายุของเราไปด้วยดังนั้นอย่าะมาบเรื่องการเวลาให้แสวงหาสาระคือบนภูส่วนไว้เสมออย่าให้ชีวิตล่วงไปปล่าประโยชน์เราเกิดมามีอายุเท่านั้นเท่านี้ปีมันเป็นเรื่องที่แล้วมาแล้วแต่เวลาข้างหน้ามันขึ้นอยู่กับลมหายใจกำหนดแน่บ่าได้ถ้าลมหายใจขาดเมื่อไหร่ก็ตาย เมื่อลมหายใจยังอยู่ก็อย่าประมาทพยายามทำจิตให้สำรวมระวังเกิดปัญญาฟาดฝันกิเลสให้หมดไปสิ้นไปอยู่เสมอจุดหมายปลายทางของการทุดงครั้งนี้คือที่อำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยจุดหมายปลายทางอุทิศสักคงคารการทุดงจากบ้านบัวครั้งนี้ ยมคำดีน้องชายของลุงปู่ร่วมเดินทางไปด้วยเพราะจะไปอุปสมบทที่จังหวัดเลยลุงปู่เล่าว่าเพชบูรสมัยนั้นเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะเวื่ดล้อมด้วยภูมิประเทศที่เป็นปากเขาและโด่งทึกการคับมนาคมติดต่อเป็นไปด้วยความยากลำบากการเดินทุดดวงรอนแรม เป็นในสภาพแวดล้อมที่นิภัยอันตรายหรือรอบด้านเช่นนั้นสำหรับพระภิกษุบทใหม่และยังขาดประสบการณ์ก็คงเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสอยู่ทีเดียวครั้งหนึ่งระหว่างการทุดงหลวงปู่ได้แวะพักที่ทำใกล้ๆ ก, กับตัวจังหวัดกำแพงเพชรโดยหลวงปู่พักที่ทำดานในส่วนท่านคาดีพักที่ทำดานนอกวันหนึ่ง ขากลับจากบินทบาทก็เจอเลียงผาตัวหนึ่งอย่างจงหนาห่างเพียงสามถึงสี่วามันยืนจ้องให้ลูกในตาสายเมาเมาหลงปูและดยเสียงกลัวหัวเรากแต่ไม่กล้าทำอะไรมันคงคิดว่าข้างเรามีสององค์ถ้ามันจะเข้าปิดองค์หนึ่งแล้วแล้วก็อีอกองค์หนึ่งไปดึงขางมันไว้มันจะทำยังไง หลังจากยืนคุมเชิงกันอยู่สักครู่หลวงปู่ก็รองทักไปว่าอ้าวมายืนทําอะไรอยู่เล่าจะไปไหนก็ไปเสียสิเดี๋ยวในพรานก็มาเจอเข้าหลอกมันก็เลยกระโจนแผลวหายไปเลยกลับถึงท่ามที่พักหลวงปู่ก็ได้ถามอีกเพราะท่านคำดีได้ยินเสียงเสือร้องอยู่ที่ตีนเขาเกิดความกลัวไปออนมาก รีบ ไ, ไปหาไม้มาทำฝากั้นยกพื้นปัที่นั่งอยู่ฝาไม้ที่ประติวมันจะไปกั้นอะไรได้ท่านบอกกับน้องชายกราบเรียนถามว่าถ้าเสือมันขึ้นมาถึงที่พักจริงๆหลวงปู่ไม่กลัวบ้างหรืออย่างไรท่านตอบหน้าตาเฉยว่าก็หลวงปู่พักถ้าข้างในคิดว่าเสือมันคงเข้าไม่ถึง แต่ถ้าเป็นงูถงอ่างแล้วก็ว่าไม่ได้เพราะถ้ำไนมีเยอะวันหนึ่งมันตกมาจากพื้ดานถ้ำตัวโตวเบ้อเร่ออันที่จริงมาถึงขั้นนี้หลวงปู่คงรู้สึกคุ้นเคยกับเสือขึ้นมามากแล้วเพราะท่านได้เจอเสือในระยะประชิดขนาดเอื้อมถึงกันทีเดียวตอนที่ชุ่ดงผ่านป่าลึกในจังหวัดกาลสิน ตอนนั้นหลวงปู่พักที่ดอนแห่งหนึ่งมีจอมปลวกกอใหญ่เนีนทำห้างร้านให้หลวงปู่พักบนหัวจอมปลวกทางขึ้นลงใช้มีดจับวิดจอมปลวกเป็นขั้นบันไดพบคำ่ำขณะที่หลวงปู่กำลังพักผ่อนโดยหันเท้าจะทางบันไดจอมปลวกทันใดก็แว่วดึงเสียงเจ้าถิ่นเสียงเดินเป็นจังหวะดัง ตบๆมาเรื่อยจนกระทั่งมาหยุดที่ตีนจอมปลวกหลวงปู่เล่าอย่างนึกขำมันคงไม่เคยเห็นกลดพระธุดงเลยแปลกใจว่าเป็นอะไรหนอสีคร้ำๆอุ้มลุมอยู่ตรงนั้นยืนดูอยู่สักครู่มันก็ปีนมาเอาเท้าหน้าเกี่ยวฝ่าเท้าหลวงปู่ลองดูลวงปู่ก็จกกับกระดี้สะบัดฝ่าเท้า หวักเอาน่ามันก็โดยบังเอิญมันคงตกใจร้องโห้แล้วก็กระโจนหนีไปเลยแล้วก็อีกครั้งที่หลวงปู่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเสือครั้งนั้นก็่ดวงผ่านจังหวัดสรบุรีในขณะที่หลวงปู่เพิ่งอุปสมบทได้ 2, สองพรรษาออกพรรษาพุ่ยดวงจากพรานแก่นเข้ากรุงเทพมีหลวงพี่อีกองค์หนึ่งติดตามไปด้วย ตั้งใจเปน็นวัศ ก, การท่านเจ้าคุณอุบารีคุณูปมาจาร์วันหนึ่งขณะที่กำลังมุ่งหน้าไปทางพระพุทธบาทโดยมีหลวงปู่เดินนำหน้าทั้งสององค์ก็ได้ยินเสียงเสือกำรามโโฮขึ้นแต่ยังไม่ทันเห็นตัวหลวงพิงที่เดินอยู่ข้างหลังคงตกใจสุดขีดออกวิ่นแสนหน้าหลวงปู่ทางทิศทางก็แค่เม็ดเดียวนี่แหละ ว่าไม่ภาวนาหลวงปู่สาทัพวิ่งไปได้ประมาณสองเส้นจึงได้หยุดยังไม่เห็นตัวมันเลยได้ยินเสียงก็วิ่งแล้วทาวิ่งไปข้างหน้าแล้วไปเจออีกตัวหนึ่งจะทำยังไงก็ไม่รู้เมื่อกราบเรียนถามว่าหลวงปู่มีหลักการปฏิบัติอย่างไรหรือมีคาถาบทสวดมนต์ที่เศษอะไร เพ้ป้องกันสัตว์ร้ายในป่าบ้างท่านตอบว่าอยู่เฉยๆนี่แหละเสือมันก็ร้องก็ส่งเสียงไปตามภาษาสัตว์แต่อันที่จริงน่ะมันกลัวคนเพราะมันเห็นคนเป็นเหมือนยักษ์มารถ้ามันรู้ว่ามีคนอยู่ที่ไหนมันจะรีบหนีเลยยกเว้นแต่เวลาจนตัวมันคิดว่าเราจะดทำร้ายมันนั่นแหละมันจึงจะกัดเอา แต่ถ้าเราอยู่เฉยเหมือนคงคิดว่าอิตานีต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยถึงเฉยอยู่ได้นั่นแหละเปิ้นถึงสอนให้มีสติอยู่ทุกเมื่อโดยเฉพาะวรณังเมพวิสติสติแปลว่าระลึกได้ระลึกได้มันมาจากไหนมาจากระลึกไว้ก่อนเสมอเสมอถ้าไม่อย่างนั้นจุดตัวเข้าแล้ว มันนึกไม่ทันอย่างพวกเราที่ถ้าไปภาวนาอยู่ในถ้ำแต่ถ้ำนั้นมีเสือด้วยล่ะก็อกึอะไรจะเกิดขึ้นนั่นเหมือนความตายนั่นนั่นช่เรื่องเล็กน้อยอันที่จริงแล้วหลวงปู่ก็เคยให้คาถาเวลาอยู่ป่าอยู่เขาบ้างเหมือนกันอยู่ป่าอยู่เขาให้มีคาถาบริการภาวนาดังนี้เสมอโอพินิ มหาพิจารณาจะทำอะไรจะไปจะมาให้มันพิจารณาเสียก่อนไม่ว่าจะทำจะพูดจะคิดต้องมีสติคิดดูให้รอบครอบจึงค่อยทาการพลาดพลั้งจึงจะไม่ค้อนมีการเจ็บป่วยก็จะน้อยการงานก็จะไม่เสียหายจำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่หลวงปู่จำพรรษาที่วัดป่าสะคงคารจังหวัดเพชรบูรณ์สองพรรษาพ่อออกพรรษาท่านกุตตดงขึ้นเหนือจนกระทั่งได้พบหลวงปู่มั่นที่หมู่บ้านแม่ดอยอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ใ น, นที่นี้เองหลวงปู่ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติ ม, ตมจากหลวงปู่มั่นจนการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก และปลายปีพุทธศักราช2482ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรก็ได้มารับหลวงปู่มั่นกลับไปที่จังหวัดอุดรณธานีต่อมาภายหลังหลวงปู่จึงได้กลับไปช่วยพัฒนาสำนักสงฆ์ที่หมู่บ้านแม่ดอยนั้นขึ้นเป็นวัดให้ชื่อว่าวัดป่าอาจารย์มั่นเพื่อเป็นอนุสร์ถึงพระอาจารย์ใหญ่ของท่าน เมื่อแยกจากหลวงปู่มั่นแล้วหลวงปู่ได้เดินทุดงไปทางอำเภอสันกำแพงเข้าพักที่วัดรงธรรมซึ่งขณะนั้นยังเป็นสำนักชั่วคราวมีศาลาฟังธรรมตั้งอยู่ในสวนจึงเรียกว่าวัดโรงธรรมสามมคีที่วัดรงธรรมสามมคีนิเคืเป็นสถานที่ที่ครูอาจารย์หลายท่านเคยใช้พักจำพรรษาอาทิหลวงปู่มั่นพระุทธตาเทระ หลวงปู่ชอบฐานะสโมหลวงปู่แหวนสุจินโนพระอาจารย์กูธรรมพินโนและหลวงปู่ตื้ออจระธรรมโมเป็นต้นหลวงปู่สิมได้พักจำพรรษาที่วัดรงธรรมสามพีแห่งนี้ติดต่อกันนานถึง5ปีคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483ถึงปีพุทธศักราช 2,487 พอปีพุทธศักราช 2,488 จึงย้ายไปจำพรรษาที่ทํำผาผัวอเอชอมทองซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองอยู่ในสภาพหลังสงครามโรคครั้งที่สองในระหว่างนั้นหลวงปู่สิมได้รับรู้ความรับจิตรับใจของบรรดาชาวบ้านทั้งหลายความเมตตา จะหาประมาณค่าไม่ไดในยามนั้นหลวงปู่จึงเป็นกำลังใจที่สำคัญแก่ชาวบ้านโดยทั่วไปหลวงปู่ออกมาโปรดบรรดาชาวบ้านทั้งหลายด้วยจิตเมตตาปลุกปลอบใจของชาวบ้านซึ่งกำลัง อ, อ่อนล้าและติ้นหวังให้กลับมีชีวิตชีวาขึ้นด้วยการอย่างพระศัษ ธ, ธรรมลงสู่จิตใจของเขาทั้งหลาย หลวงปู่สิมพร้อมด้วยครูบาอาจารย์ทั้งหลายต่างเที่ยวออกเทศนาโปรดชาวบ้านอยู่เนึ่งนิดบางครั้งระยะการเดินทางออกโปรดชาวบ้านนับได้ถึง2 0ถึง30กิโลเมตรหลวงปู่ก็ไม่เคยแสดงออกให้เห็นถึงความท้อถอยต่ออุปสรรคแต่อย่างใดทั้งมุ่งมั่นช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อธรรมะอันประเสริฐทีละน้อยทีละน้อย คือมีความเต็มอิ่มในจิตใจของชาวบ้านแล้วท่านจิงอําลาจากไปความเมตตานี้ยังตรึงจิตตรึงใจชาวนครเชียงใหม่อยู่อย่างไม่มีวันลืมเลือนออกพรรษาหลวงปู่ก็หลีกเรนไปหาที่บําเพ็ญภาวนาตามถ้ำตามป่าเขาต่างๆในเขตจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ได้พบว่าภูมิประเทศ ที่เป็นปากเขาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์สหรับท่านเป็นอย่างยิ่งจนเรียกได้ ว, ว่าการปฏิบัติภาวนาของท่านเจริญก้าวหน้ามากที่สุดปรากฏผลเป็นที่น่าอัศจรรย์ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองพระเถระที่ใกล้ชิดหลวงปู่รูปหนึ่งกล่าวว่าดูแล้งปีหนึ่งมุ่นหลวงปู่ไปภาวนาเรื่องความเคียดที่ถ้ำปากเปียงอําเภอเชียงดาว ไค่มีรพระภิสุทธ์จากภาคใต้รูปหนึ่งมาทํานายท่ายทักษนาคตเกี่ยวกับการบําเพ็ญบรารมีกนุ๊งปู่พ้จากการปฏิบัติเป็นไปเช่นคำทำนายหรือไม่หลวงปู่ท่านเพิ่มรู้เองเป็นป่า จ, จต่างไม่ลุงปู่ก็เคยป่ารบ ก, กับองค์ท่านเองว่าจะเป็นด้วยเหตุอะไรเนจะอยู่ที่อื่นที่ไหนไหนก็ตามไม่รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจเหมือนอยู่ที่เชียงใหม่ ครั้งหนึ่งมีภาพนิมิตเกิดขึ้นเป็นภาพหลวงปู่ในเครื่องทรงของพระเจ้าแผ่นดินเชียงใหม่ใส่รองเท้าสูงถึงเครื่องน่องแน่หลวงปู่เล่าอย่างขำขำในระหว่างที่หลวงปู่จำพรรษาอยู่ที่เชียงใหม่นี้เองหลวงปู่ได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษและเมื่อสงครามมหาเอเชียบุรพาอุบิขึ้นท่านก็ได้ไปหาที่สงบ บเัเพธรรมที่ถ้ำผาผัวปรากฏว่ามีทหารญี่ปุ่นขึ้นไปฝั่งเทพหลวงปู่ที่ทำหลวงปู่เล่าว่าตอนแรกเทพเป็นภาษาไทยแล้วมีล่ามแปลจากไทยกันอังกฤษและจากอังกฤษแปลเป็นญี่ปุ่นอีกทีทําให้เกิดความยุ่งยากมากเพราะทหารญี่ปุ่นรู้ว่าท่านสามารถคุยภาษาอังกฤษให้พวกนายทหารญี่ปุ่นรู้เรื่องโดยตรงได้ ต่างก็พอใจยิ้มออกทีเดียวในระหว่างออกปรรษาหลวงปูส่สิมก็ได้จาริกธุดงไปบำเพ็ญเพียรณสถานที่วิเวกหลายแห่งในเขตจังหวัดเชียงใหม่บางครั้งก็เดินทางไปดูแลการสร้างวัดที่บ้านบัวในปีพุทธศักราช2485ออกปรรษาแล้วหลวงปู่ก็ได้เดินธุดงร่วมกับหลวงปู่หลอด ปัจจุบันได้สมณศักดิ์เป็นที่พระครูปราโมทธรรมธาดาเจ้าอาวาสวสิลิกกัม马 า, าวาสกรุงเทพไปยังบ้านคลองศรีฟันตำบลลานบ่าจังหวัดเพชรบูร์และได้ตั้งสำนักส่งขึ้นณที่แห่ง น, นี้ก่อนจะเดินทุดวงกลับไปจำพรรษาที่โรงธรรมสามกีมาภายหลังท่าพระอาจารย์บุญมา พิตรเปโมมรณภาพพร้อมท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษโถพระอาจารย์วันอุตตโมและพระอาจารย์สิงทองธรรมทโรเมื่อคราวอุบัติเหตุเครื่องบิตกที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้มาพัฒนาขึ้นเป็นวัดชื่อว่าวัดเกาะสวรรค์ช่วงเวลาห้าปีที่หลวงปู่จำพรรษา ติดต่อกันที่วัดโรงธ ร, รมมาสามกีอำเภอสันกำแพงก็เป็นเวลาที่ชาวเชียงใหม่ได้ทราบถึงการพระธรร ม, มเทศนาของลุงปู่อย่างเต็มที่ปฏิภาณโวหารในการแสดงธรรมของลุงปู่เป็นที่ประทับใจคนฟังที่นักผู้ที่สดับตรับฟังแล้วก็นำไปเล่าสระเสริญชักชวนคนอื่นให้ไปฟังต่ อ, ต อ, ตอกันไป แม้ว่าการครับมานาคมระหว่างเชียงใหม่สันกำแพงไม่สะดวกสบายเช่นในปัจจุบันสมัยนั้นก็มีพุทธศาสนิกชนเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปฟังการอบรมและปฏิบัติ ธ, ธรรมกับหลวงปู่ที่สันกำแพงอยู่เสมอสิทธิอวุโสชาวเชียงใหม่ท่านหนึ่งคือเจ้าชื่นสิโรรสวัยเกหปีในปีพุทธศักราช 2,488 ชุชื่นซิโรรถให้อุปะยกครอบครัวหลบภัยสงครามไปอยู่ที่ถ้ำผาผัวอเจอมทองหลวงปู่ทุกดงไปจำพรษาที่ถ้ำผาผัวในปีนั้นท่านจึงเปรียบเสมือนที่พึ่งอันสูงสุดที่มีความหมายมากสำหรับคนที่อยู่ในสภาพบ้านแตกและแรกขาดเนื่องจากสงครามทุกเช้าเย็นหลวงปู่ จะลงจากที่พักของท่านบนเดินเขามาที่ศาลาข้างล่างเพื่อ น, นำสวดมนต์ทำวัดและนั่งสมาธินอกจากนี้ทุกวันพระท่านยังเดินไปอบรมธรรมะที่วัดในหมู่บ้านอีกด้วยเดินไปเทศและก็เดินกลับรวมระยะทาง25กิโลเมตรหลวงปู่เล่าสบายๆ ส, สร้างหวัดสันติธรรมเมื่อสงคราม มหาเอเชียบุรพาใกลจะยุติประมาณปลายปีพุทธศักราช2489หลวงปู่ศินป์ชิงได้เดินทางกลับมาอยู่ในเมืองเชียงใหม่และจำพรรษาที่ตึกของแม่เลี้ยงดอกจันร์กีรติปานคิวริเปอร์ซึ่งอยู่ที่ถนนดอชุเทศตรงข้ามกับถนนไปสนามบินเบืองเชียงใหม่ปัจจุบันคือที่ตั้งของตึกสานักงาน วิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าของบ้านได้อพยพหลบภัยสงครามไปอยู่ที่อื่นทิ้งบ้านให้ว่างอยู่เจ้าเชิญจิรโรรสซึ่งอพยพจากถ้ำผาผัาวกลับคืนตัวเมืองเชียงใหม่ทีงได้กราบอรัธนาหลวงปู่ให้ย้ายเข้ามาพักในบ้านหลังนี้ด้วยในปีนี้เองหลวงปู่ก็ได้ลุกสิทธิ์คนแรกที่อุปสมบทที่เชียงใหม่ และต่อมาได้เป็นกำลังสำคัญที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระอันหนักของลุงปู่ไปได้อย่างมากนั่นก็คือพระอาจารย์มหาทองอินกุสละจิตโตเจ้าอาวาสวัติธรรมปีพุทธศักราช2490เมื่อสองครามสงบโดยสิ้นเชิงมีข่าวว่าเจ้าของบ้านคือไม่เลีย้ยงดอกจัน แป็นลูกหลานที่อุพยบหลบภัยสงครามไปจะกลับคืนถิ่นฐานเดิมหลวงปู่และสาสริกิ์เลยเกิดริดร้อนเรื่องที่อยู่จนวันหนึ่งท่านได้ปารกขึ้นมาในระหว่างการเทศว่านกมันยังทำรังอยู่ได้คณะสัตธาจะสร้างวัดอยู่สักวัดหนึ่งไม่ได้หรือคำปารกในครั้งนั้นเป็นแรงบันดาลใจ ให้โยมคินหรือคุณแม่นิ่มนวนสุภาวงศ์เกิดศรัทธาขึ้นอย่างแรงกล้าที่จะสร้างวัดถวายหลวงปู่จะได้ลงมือเตรียมการทันทีในวันรุ่งขึ้นจากที่ได้ยินคำปาราบนั้นเองด้วยบารมีของหลวงปู่และด้วยพลังศรัทธาของคุณแม่นิมนวนวัดสันติธรรมจิน้ถอกำเนิดขึ้นมาด้วยอาศัยกาลังศรัทธา ของสารสนิทช่วยกันสลัดทุนทะัพย์ก้อนแรกเป็นเงินสามารถซื้อที่ดินของคุณพระอาสาสงครามให้จำนวนเจ็ดไร่ต่อมาซื้อทุกนาด้านใต้ซึ่งอยู่ติดกันเพื่อขยายเนื้อที่ออกไปอีกรวมเป็นสิบไร้เส้นเงินเจ0 0พันบาทแล้วจึงเริ่มดาเนินการกอร่อกุติและสารามุงใบตองตึงขวาขัดแต ในราวเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2492และได้มีพิธีเปิดป้ายวัดเป็นการชั่วคราวขึ้นเมื่อวันที่13ตุลาคม2492หลวงปู่ก็ได้ย้ายจากวัดโรงธรรมสัมมคีที่สันกำแพงมาพำนักที่วัดสันติธรรมตั้งแต่บัด น, นั้น เมื่อมีวัดสันติธรรมเป็นเสมือนรังที่พักอันมั่นคงถาวรแล้วการบำเพ็ญกิจที่เป็นบุญกุศลต่างๆทั้งมีฝ่ายบรรพชิตและคริหั่ญาติโยมก็เป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้นขณะนั้นพระเนยมีมากถึงส8ปดรูปทางคุณแม่นิมนวนและพี่ๆน้องๆตลอดจนเพื่อนจัดรำให้อื่นๆก็ได้ไปรักษาอุโบสถศิล์ถือเนสจิ เป็นประจำทุกวันพระเธอเล่าว่าคืนบนพระวันหนึ่งเธอเกิดความง่วงขึ้นอย่างมากที่สุดสุดแสนจะทนทานจิตใจอ่อนแอท้อแท้รู้สึกอยู่แต่ว่าการไปถือเ น, นสจิกเป็นความทุกข์ทรมานเพียงอย่างเดียวก็เลยรำพึงรำพันกับตัวเองขึ้นมาว่าเออหนอที่เรามาปฏิบัติอยู่เวลานี้ ถ้าได้สำเร็จมักผลขึ้นมาบ้างก็ดีไปถ้าไม่ได้ไม่ดีอะไรขึ้นมาแล้วเรามาทรมานทุกทนอย่างนี้เพื่อประโยชน์อะไรไปกลับไปนอนไปสุขสบายอยู่ที่บ้านเสียไม่ดีกว่าหรือดูเหมือนว่าเธอจะรำพึงรำพันยังไม่ทันสิ้นกระแสความคิดนักพันก็ได้ยินเสียงหลวง ป, ปู่ขึ้นมาว่า ว่าต้องเพราะแท้อ่อนแอเราต้องหน่ายแหนงทำมาได้แค่ไหนก็ถือว่าเป็นนิสัยปัจจัยเป็นต้นทุนต่อไปในภายภาคหน้าระวังให้ดีเถอะเจ้าตัวทีนะนิทะที่มันตัวร้ายทีเดียวมันเป็นตัวขัดขวางมรรคผลนิพพานมันนี่หละที่พามาเกิดมาตายวนเวียนอยู่ไม่รู้จักจบสิ้น คุณแม่นิ่มนวลนยังไปวัดและถือเนสศชิตทุกวันพระอยู่ต่อมานี่ได้ค่ะดีนะที่ท่านเตือนสติขึ้นมาในคืนนั้นหาไม่เราคงเลิกไปวัดแล้วตั้งแต่วันนั้นเพราะรู้สึกทรมานเหลือเกินหลวงปู่ปกครองพระเนรุกวัดของท่านอย่างอบอุ่นกล้คิดเหมือนพ่อดูแลลูกูกภาพในอดีตที่ประทับใจ ที่คุณแม่นิมนวน์อีกภาพหนึ่งก็คือเวลาที่พระเนรอาพาธล่วงปูถท่านจะนั่งเฝ้าไข้อย่างสงบไม่ยอมห่างจนกระทั่งผู้ป่วยอาการดีขึ้นครั้งหนึ่งเนร น, น้อยนอนสมด้วยโรคพยาธิตัวเหลือง ส, สู้ขีดผอมเพราะฉันอาหารไม่ได้เลยแม่ไลได้เอายาถ่ายพยาธิมาถวายเนร น, น้อยก็ฉันไม่ได้อาเจียนออกมา ทำให้แม่ไล่โมโหมากจะบังคับให้ฉันให้ได้แต่หลวงปู่ซึ่งนั่งเฝ้าอยู่อย่างใจเย็นได้ปลอบประโลมเนรน้อยของท่านขึ้นว่าวันพรุ่งทะเนอร์ไปบินธบาทได้กล้วยก่อนจะเอายาใส่ในคพื่อให้เนนน้อยฉัน